ห้าเก้าสองหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอังกฤษอาราอยู่ดำเนินรายการโดยอาจารย์ชนกนาถจีนศรี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 สวัสดีค่ะ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 ครึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้นะคะตรงกับวันพุทธที่31เดือนกรกฎาค ม, มพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้รายการอิงลิสต์ราลูของเรานะคะนำเคล็ดลับนะคะการใช้ภาษาอังกฤษค่คะมาฝากท่านผูง้ฟังกันนะคะค่ะเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องของสำนวนนั่นเองค่ะถ้าฝรั่งเนี่ยเขาเกิดมาพูดว่า เบรดแอนด์บัตเทอร์นะคะบางทีเนี่ยเบรดแอนด์บัตเทอร์มันไม่ได้หมายถึงขนมปังและเนยเสมอไปนะคะนั่นก็เพราะเบรดแอนด์บัตเทอร์คำคำเนี้ยประโยคเนี้ยนะคะฝรั่งเนี้ยเขาใช้ในการเปรียบเปรยค่ะ เพราะ บ, บ้านเขาเนะะี่ยค่ะมีการทานขนมปังคู่กับเนยนั่นเองนะคะเป็นอาหารหลักๆของเขาฉะนั้นอะไรนะคะที่เป็นเบรดแอนด์บัตเทอร์เนี่ยก็เปรียบเสมือนสองอย่างนั่นเองค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เป็นแหล่งรายได้หลักที่ให้เรานะคะได้ซื้อข้าวปลาอาหารนะคะเปรียบเทียบกับขนมปังและเนยนั่นเองค่ะ หรืออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสิ่งที่ดูเป็นเรื่องธรรมดาเถสิ К ทั่วไปนั่นเองค Background ซึ่งนะคะก็อาจจะใช้ได้ในมุมทั่วไปก็ได้นะคะหรือในมุมที่เป็นเรื่องเก ال acordo ของพวกบริษัท ต, ต่างๆเห歌ยาได้นะคะค่ะเรามาดูการแต่งประโยคนะคะ่ะคำว่าบริจต์แสอันด์บรัทเธอล์นะคะประโยคแรกนะคะ Tourism is the breath and อันด์บรัทเธ 1000ครั้งนะคะ Tourism, is the bread and butter, of Thailand นะคะการ descon pone volBrots นะคะที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้หลักนะคะคิด الذي shutting Space presenting มาของรายได้หลักของประเทศไทยค่ ะ, คะตัวอย่างเต ihnen มานะคะ query and butter นะคะก็อย่าง cause เป็นความหมายนะคะที่หมายถึงพวกแหล่งรายได้หลักอยูนะค ะ, คะ The パイオトヤンドマンアカフィロチ d イブレードンバターマテンプリオンネカパイオンネカラトプトンバサボーネアトゥペンジンカーนングルเราก็จะใช้ปチะプยオวバー The bread and butter of this soap eat soap. ขอโทษนะคะ The bread and butter of this shop eat soap. นะความหมายก็คือสบเนยูเป็นจินค้าทำเงินตัวหลักของร้านนี้เลยตัวอย่างต่อมาค่ะ The most well-known bread and butter car is Japanese car. อีกหนึ่งครั้งนะคะ The most well-known bread and butter car is Japanese car. ประโยคนี้นะคะหมายถึงรถที่เห็นได้โดยทั่วไปนะคะที่คนเนี่ยนิยมกันก็คือรถญี่ปุ่นนั่นเองค่ะประโยคนี้นะคะหาคำว่า bread and butter เนี่ยไปขยายคำว่า car ค, ค่ะซึ่งหมายถึงรถที่เป็นแบบธรรมดา ท, ทั่วไปนะคะที่เราเห็นได้ทั่ ว, วไปนั่นเองค่ะ ค่ะเรื่องต่อมาที่เรานำมาฝากท่า น, นเพื่อนฟังนะคะการใช้ make no bones นะคะ make no bones เนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาใช้กันในความหมายอะไรกันได้บ้างค่ะค่ะดูเผินๆ น, นะคะก็ไม่มีอะไรยากนะคะสำหรับ make no bones นะคะแปลว่าไม่ทำกระดูกหรือเปล่านะครับและได้ทุกตัวนะคะแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานึกต่อไปเนี่ยก็ยังงงๆอยู่นะคะทำไมถึงแบบว่า ทำกระดูกนะคะหรือว่า don't make no bones นะคะไม่ทำกระดูกหรือเปล่าอะไรยังไงกันแน่นะคะในประโยคนี้นะคะ she makes no bones about her colleagues อีกหนึ่งครั้งนะคะ she makes no bones about her colleagues ก็คือเขาเนี่ยไม่ทำกระดูกเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานของเขานะคะถ้าเราไปกดความหมายนะคะในเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะดูงงๆนะคะเราอาจจะแบบว่า อะไรทำไมแปลออกมายอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะอันนี้เป็นสำนวนค่ะหมายถึงอาพูดแบบไม่แคร์สื่อนะคะพูดแบบขวานผ่าซากนะคะพูดตรงๆท่งๆค่ะพูดแบบไม่อ้อมค้อมเลยก็ได้นะคะคือไม่สนใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะว่าเมกาโบนเนี่ยมันมีโครงสร้างของ คำนวณอย่างไรนะคะและตัวอย่างการใช้อย่างไรคะ่ะค่ะการใช้นะคะสำหรับโครงสร้างนะคะเราจะใช้ make no bones นะคะ about นะคะ make no bones about นะคะตามด้วย something นะคะหรือ make no bones about ตามด้วย someone ค่ะเช่นประโยคตัวอย่างนะคะ she always makes no bones about things อีกหนึ่งครั้งนะคะ she always เม็กซ์โนโบนส์ about things นะคะเขาเนี่ยนะคะเป็นคนที่พูดขวานผ่าซากเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเสมอเลยนะคะคำว่าเม็กซ์โนโบน์นะคะในที่นี้ก็คือแปลว่าขวานผ่าซากนะคะตัวอย่างต่อมาค่ะพูดตรงๆนะคะก็ใช้สำนวนเม็กซ์โนโบนส์ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้จะเอามาแต่งเป็นรูปอดีตค่ะจอห์นเม็กซ์โนโบนส์ about small tips จอห์นไม่โน้บลส์ About small tips หมายถึงจอห์นเนี่ยพูดตรงๆนะคะไม่แคร์เสือกันเลยเกี่ยวกับทิปที่เขาได้น้อยค่ะค่ะประโยคตัวอย่างต่อมานะคะเราจะใช้ไมค์สโนบล์นะคะ About นะคะอันนี้จะใช้กับซัมวันนะคะคือใช้กับคนนะคะประโยคนี้ Please do not make snowballs about her if she knows she may cry หนึ่งครั้งนะคะ Please do make bones her. she she about may knows, do not make no bones about her. If she knows, she may cry. If รーンงนーคー。 ที่พวกเขาเมกโนโบนส์ about the service at that gas station หมายถึงผู้คนนะคะต่างพูดกันตรงๆเกี่ยวกับบริการที่ปัม๊มน้ำมันปั๊มนั้นนั่นเองค่ะค่ะจะเห็นว่าประโยคที่แต่งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีโครงสร้างเป็น make no bones นะคะ about แล้วก็ตามด้วย something นั่นเองค่ะ มาดูประโยคตัวอย่างที่ใช้เมสโนโบนกันอีกนะคะในในประโยคนี้นะคะอันนี้ทำเป็นรูปอดีตนะคะจากเมสเปลี่ยนเป็นเมสนะคะพูดถึงเรื่องอดีตค่ะประโยคตัวอย่างนะคะ the DJ made no bones about the songs หนึ่งครั้งนะคะ the DJ made no bones about the songs นะคะประโยกดีนะคะเราใช้ no bones about นะคะตามด้วย something ค่ะก็คือเพลงนะคะเป็น the songs ค่ะ ความหมายของประโยคนี้ค่ะ DJ เนี่ยเขาพูดถึงเพลงต่างๆเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาเหลือเกินค่ะดังนั้นแล้วนะคะ make no bones นะคะก็มีความใหมายว่าพูดตรงๆนะคะพูดทงๆพูดแบบขวานผ่าซากนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะใช้ make no bones นะคะเราก็อาจจะใช้ to be straightforward แทนก็ได้ค่ะ to be straightforward นะคะตัวอย่างค่ะ She is straightforward about things ะะ She is straightforward about things about about 私はそれを知っているのです。私はそれを知っているのです。私はそれを知っているのです。งเน แอบอิงลิชออนไลน์、line. .com ค่ะค่ะโดยเราจะให้ท่านผู้ฟังนะคะพักฟังเพลงพระเพลศต่อของสถานีแล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการยิงลิชรอบยูติดตามฟังกันได้นะคะไม่รู้วันพรุ่งนี้ไม่รู้ต้องนานแค่ไหนแต่ฉันก็ยังจะรักทุกล้มหายใจ アチェンメイディパー よく見た目が見えた目が見えた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 กลับมาพบกันต่อในช่วงที่สองของรายการอิงลิชราวยูอีกแล้วนะคะทางคลื่นเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์ตสสถานีวิทยุมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะในช่วงที่สองของรายการนะคะเรา น, ะะนำคำว่าโ、no、น้ท์เฮิร์สค่ะมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะ ค่ะคำนี้นะคะเป็นคำย้อนฮิตติดปากคนไทยเพอสมะควรเลยค่ะ no have นะคะสำหรับเวลารีบรีบนะคะที่จะตอบว่าไม่มีนะคะก็คือ no have เลยค่ะเป็นกา ร, ปรแปลที่ตรงตัวเหลือเกินนะคะซึ่งฝรั่งเนี่ยฟังแล้วเขาก็เข้าใจละค่ะแต่อาจจะแอบอมยิ้มนะคะเพราะว่าก็เป็นการใช้ที่ไม่เค่อยเป๊ะสักเท่าไหร่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรูปแบบนะคะว่า การที่เราจะบอกว่าไม่มีแต่ยจะใช้ใหแบบเมื่อเหมือนเ ข, าเนยเขาใชอยางเราจะค ะ, คะโคงสร้างที่เขาใชนะคะ헤 highly consume? เมื่อ Gottes necesit is ใครคือ Gottes สร้างนั้นถามโคลงสร้างที่ Maori ไม่มีความว่าเหมือนเราจะใช้ There is、no、นะคะั้น這樣的 protest ตามด้วยงทงคะโรงสร้างค่ะ iskisic です because There israzeth จะใช้เรื่องค่ะเรื่องธรกม I think thisве in a kept prayer แต่อีกกะยกนึงสร้างหนึ่งสร้างของครงสร้างคือ There are no นะคะตามด้วยบังสิ่งนะคะ something There this There There room is in is is in no no no box Box ะะะะ box room どうしてもいいです。 ตามโครงสร้างของเขานะคะ There are no นะคะตามด้วยคำนามที่เติม s หรือว่าเป็นพระหุพศค่ะ There are no boxes in this room There are no boxes in this room แปลว่าไม่มีกล่องนะคะอยู่ในห้องนี้นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นรูปพระหุพศค่ะ ค่ะถ้าเราจะพูดว่าที่นี่ไม่มีผลไม้นะคะเราก็จะใช้โครงสร้างแรกก่อนนะคะใช้แบบเป็นเอกพจน์ค่ะก็จะใช้ There is no fruit here There is no fruit here ก็คือใช้โครงสร้าง There is นะคะ No นะคะตามด้วยคำนามที่เป็นเอกพจน์ค่ะแปลว่าที่นี่ไม่มีผลไม้นะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนโครงสร้างค่ะใช้ There are no แล้วตามด้วยผู้หุบพจน์นะคะอย่างเช่น There are no fruits here ะะ There are no fruits here ก็คือแปลว่าที่นี่เนี่ ย, ยไม่มีผ ล, ลไม้เหมือนกันแต่ในที่นี้หมายถึงผ ล, ลไม้หลายๆหลายๆผลค่ะค่ะต่อมาจะดูตัวอย่างของคำว่าร้านอาหารกันบ้างนะคะ There is no restaurant around here There is no restaurant around here อันนี้เป็นการแนะนำนะคะคู่สนทนาบอกเขาไปว่าแถวเนี้ยไม่มีร้านอาหารนะคะ ก็คือไม่มีแม้แต่ร้านเดียวค่ะไม่มีสักร้านหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้าการสื่อความหมายนะคะคือแบบเป็นรูปข้างหูพจน์เนี่ยเราก็จะบอกว่า there are no restaurants around here อีกหนึ่งครั้งนะคะ there are no restaurants around here หมายถึงแถวเนี้ยระแวกเนี้ยนะคะไม่มีร้านอาหารเลยนะคะคือแบบสักร้านเดียวก็ไม่มีนั่นเองค่ะ นะคะและอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเราจะเพิ่มนะคะเพิ่มนะคะจากที่ไม่มีเราจะย้ำนะคะเน้นว่าไม่มีอีกแล้วเห็นไหมคะเราเนี่ยก็อาจจะเติม more นะคะ m-o-r-e นะคะ more เนี่ยเติมไปได้นะคะกลายเป็น no more นะคะแล้เยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันคะ่ะ there are no more boxes there are no more boxes นะคะก็คือกล่องเนี่ยหมดแล้วนะคะคือไม่มีอีกแล้วคะ่ะ there is no more f r u i t There is no m o r e fruit. かわりゃあなのかわりゃあなのかわりゃあなのかわりゃあなのかわりゃあなのかわりゃあなのかわりゃあなのかわりゃあなのかわりゃあなのかわりゃあなのかのかわりゃあなのかわりゃあなのかわりゃあなのかのかわなのかわり There is、no、milk left in the refrigerator. There is、no、milk left is ะะ、no、ะะ milk ไไนน in mil is milk in no no カーナイトニーノะミノメウナカナヘニーサイダイスネカーダムドイノーナカーダムイクミルクシンペンカムナンティナペダイカ่セニアミルクルドンサイダデะスะーダンティナソンサイダーマンアカザペンาゥンカンポーパサンクリッワカートティ นะพิมพ์ผิดค่ะเรามีวิธีการพูดอย่างไรกันบ้างนะคะติดตามรับฟังกันเลยค่ะค่ะคำว่าพิมพ์ผิดนะคะฝรั่งเนี่ยนะคะหรือชาวต่างชาตินะคะเขาก็จะใช้นะคะคำเดียวเลยะค่ะนะคะสั้นๆง่ายๆนะคะเขาจะใช้คำว่า typo typo t y p o นะคะซึ่งให้ความหมายว่าพิมพ์ผิดค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะการใช้ typo กันค่ะนะคะ I found some typo after I clicked send อีกหนึ่งครั้งนะคะ I found some typos after I clicked send ความหมายก็คือแย่、yeah, แล้วเนี่ยฉันเนี่ยเจอว่าพิมพ์ผิดเนี่ยหลังจากที่คลิกส่งไปแล้วนะสิตัวอย่างต่อมานะคะ typo มีความหมายว่าพิมพ์ผิดนะคะเราจะแต่งประโยคเป็นคำถามค่ะ Can you reread and make sure there are no typos? Re、sure no、typ で言うと、英語で言うと、英 r e 言う a 英語で言うと、英語で言うと、英語 e 言うと、英語で言うと、英語で言うと、英語で言うと、英語で言うと、英語で言うと、英語で言うと、英語で言うと、英語で言うと、英語で言うと、英語で言うと、英語่言うと、英語で言うと、英語で言うと、英語で言うと、เร語で言うと言うと、英語で言うと、英語で言うと、英語で言うと言うと言うと、英語で言うと言うと言うと、英語で言 Sorry it is my typo อีกหนึ่งครั้งนะคะ Sorry it is my typo โทษทีนะคะฉันพิมพ์ผิดค่ะค่ะเพียงต่อมานะคะ There is a typo in your resume There is a typo in your resume หมายถึงในเรซูเม่นะคะหรือว่าในประวัติการทำงานของคุณเนี่ยมีจุดที่พิมพ์ผิดด้วยค่ะ ข้อควรระวังนะ ค, ะ ค, ำนะคะ่ามว่า Typo นี่ยมีความหมายขาดว่าผิดอยู่แล้วกว่าเรา μили وال และต่างอยู่ atterr Stage ไม่ต้องเติมウォน Кол 度น่า señorf AM TER unsures โก Markit ไม่ต้อง เ, ตมเขาไปอ็กน الت també folk pem า ament Uk Lang Dir Awesome ดี iş alcoolf ไม่ต้องใช่ phrases the Tim deutsche analysis มีความว่า is terrible error ทั้งคำว่า shaver Error จุดใน Lauwig of Miss Thinking คำว่า congressional error เช ها wires 없이 Franc 上 bok Ger скst เรา riel 投 aggravate Deutschो นี่ก็ใช้ doetable Yojiter injection system และภาษาอังกฤษหน่ารู้นะคะในช่วงนี้นะคะเรื่องสุดท้ายที่เรานำมาฝากก็คือ I am under the weather นะคะ I am under the weather เป็นประโยคเป็นสำนวนนะคะมีความหมายไม่ได้ตรงตัวที่แปลว่าตัวฉันเนี่ยอยู่ใต้อากาศแบบนั้นนะคะแต่ความหมายจริงๆของ I am under the weather นะคะหมายถึงไม่สบายนะคะ ป่วยหรือว่าเหนื่อยก็ได้ค่ะลองมาดูตัวอย่างกันนะคะว่ามีการใช้อย่างไรกันค่ะค่ะตัวอย่างประโยคแรกนะคะ So sorry I can't join you guys today I'm a bit under the weather หนึ่งครั้งนะคะ So sorry I can't join you guys today I'm a bit under the weather ความหมายนะคะขอโทษทีนะเพื่อนนะคะ So sorry I join can today you guys today.、ね、I am a bit 私はそれを見つけたので、私はそれを見つけたので、私は e れを見つけたので、私はそれを見つけたので、私はそれを見つけたので、私はそれを見つけたので、私はそれを見つけたので、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 ซึ่งอย่างที่เรายกตัวอย่างไปนะคะก็อาจจะใช้ร่วมกับ verb to be นะคะ verb to feel นะคะหรือ verb to sound ก็ได้ค่ะก็จะเป็น be under the weather นะคะมีความหมายว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะส่วน feel under the weather เนี่ยก็จะหมายถึงรู้สึกไม่ค่อยสบายเหมือนกันค่ะ และ sound นะคะ underduser หมายถึงฟังดูเหมือนไม่ค่อยสบายนั่นเองค่ะอย่างไรคุณผู้ฟังก็ลองนำตัวอย่างที่เราสองคนนำมาฝากไปใช้กันดูนะคะและสำหรับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www. fabenglishonline.com ค่ะ วันนี้แรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการอิงลิสราอูได้ใหม่ในวันพุธหน้าช่วงเวลาตีสี่ตีสี่ครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีออกระดับระบบ FM ความถี่แปดสิบเก้าจุดห้ามิเกอร์เฮิร์ตเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ชั้นฉนกหน้าจีนสีที่ชั้นพุทธนาสวัสดีโยธินเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ